รัตไยปิดกฉบับประชาชนเล่มที่28สุดุตตันตปิดกขุทธกานิกายชาดกภาคที่สองในเล่มที่แล้วมีเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยรวมกันถึง5้ารยิห้าเรื่องแต่ในเล่มนี้มีเพียง22เรื่องเพราะเป็นเรื่องยาวๆทั้งนั้นส2องเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มีคำฉันเรื่องละห้าสิบบทสามเรื่อง60สิบบทสองเรื่องเจ็ดสิบบทสองเรื่อง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 ยอมอดทนให้หมองูจับไปทรมานต่างๆทั้งๆ ท, ที่สามารถจะทำลายหมองูได้ด้วยฤทธิ์มีใจมั่นต่อศีลของตนในที่สุดก็ได้อิสรภาพเรื่องที่เจจันทกุมารชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญคันติบารมีคือความอดทนมีเรื่องเล่าว่า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 เล่มนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นภาสิทธ์ของพระสารีบุตรอธิบายพระสูตรอีก16บพระสูตรในสุตตานิบาตคืออธิบายคำถามคำตอบเกี่ยวกับมานพบ16คนซึ่งย่อไว้ในที่ผ่านมาแล้วเป็นเพียงแต่เล่มนี้เป็นการอธิบายคำถามคำตอบอย่างละเอียดทุกตัวอักษรเช่นกันนอกจากนั้นยังอธิบายคัควิสารสูตรที่สาในสุตตานิบาตอีกโดยพิสดาร จึงรวมเป็น17สูตร